เรื่องของฟังฟังนียทุกคนเคยได้ยินได้ฟังไหขอสมควรวัดธรรมเ่ยสมัยนี้มีอยู่ทุกคนตุ๊แขกในว่าในหนังสือในว่าในวัดในว่าในวิยุหลายคนชอบฟังชอบดูจะต้องเห็นเรื่องของธรรมะน จิตใจของคนมีกีเลสหนาปัญญาอยากได้เ่วนใหญ่เห็นธรรมะเป็นของคลื่ของล่าสมัยแต่เคยนำธรรมะไปประดับตายกายใจใจของตัวที่เกี่ยวกับกิเลสัญหาอย่างรัตถิต่างๆนานาเป็นของดีมีคุณค่ามักอยากเต็มไปแดกนั้นไมว่าพระเนรหรือฆราวาสมัยปัจจุบันนักเหนือกัน ในด้านวัตถุในใจต่างหน้าต่างตารักษาธรรมประปฏิบัติธรรมะแต่ น, น้อยเรื่องของธรรมะจึงไม่เต็มของจําเต็มกับเขาพราะเขาไม่สนใจในเรื่องของธรรมะส น, น, น, น, นใจในเรื่องนอกเลื่อยไปความรู้ความฉลาดทางด้านของโลกจะรู้สึกว่า รู้สลาดมากผิแตกแตต่างกับสมัยพุทธาการเพราะสมัยก่อนรถก็ไม่นีรถก็มีรถม้มาแล้วส่นใดก็มีเกวีนเป็นทานะบรรทุกสินของแต่เดี๋ยวนี้มีทุกสิ่ ง, งทุกอย่างรถยนตรถไฟแต่ว่เสรนบินไปมาหาสื่อา่อที่ไดง่ายสบายสะดวก อย่างวักถุภายนอกความรู้รังสลาดภายนอกมันจะเรีนขึ้นมากแต่ทางทรรมนะเขี่ยมลงไปเราจะทราบได้ในเรื่องเหล่านี้ทราบจากการปฏิบัติของคนไม่ว่าฝ่ายเขาเลหัด เ้วยการไเช็ดนักบวชด้วยสิว่าเสื่อมลงไปเสื่อมลงไป่งไปางในตำรับตำราที่ว่าโซดาปฏีทายาละหันสมัยก่อนมีกันเยอะแยะแต่สมัยนี้ดีวย จ, จะมีแต่ตำลับตำราจะหาช้าหาเน้นที่ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษากายวิจัใจทังตัว เกื่อความบรู้สึกนั้นรู้สึกหา ย, ยาวารจิตที่จิตไปในอดใ น, นธรรมเพื่อจะแก้ไขใจที่เชื่อที่จิตนั้นก็รู้สึกว่าจะหา ย, ยาทั้งท้งจิตเป็นช้าเป็นเหตที่เปิดเผยเป็นสมรรณะผู้มีความสงบกายบาใจจิตแต่มีเพืนชื่อที่เขาให้ แตนั้นเะดืถั่วไปวเดือดเสือใจิตใจทั้งตัวไหมว่าชื่อนั้นไปเสดแล้วเราไปเสดอะไรราคาตันหายังมีอยู่ในจิตในใจด้วยไหมลบคนหลงยังมีอยู่หรือไม่เม่มันยัมีอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันดีอะไรมันไปเสดอะไรตัดถั่วไปมันก็มีเหมือนเราทํามาสมานะผู้สงบ มันสงบเย็นได้ไหมคิดๆไตัง้งใจเรื่องนั้นอย่างนี้ไม่นมีเวลาที่จะสงบรวมให้ใจในเ ย, นยเือกเหนยเย็นใจในเป็นอัตเป็นธรรมในจะเลือกสมณนะได้อย่างไรยังมีความโกรความหลงในจิตในใจจะเป็นสมณนะจะคือสงบได้อย่างไรถ้าทุกคนสนใจตัวตาที่จเจริญนา รักษาตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอการปฏิบัติด้านอาถรรมนั้นไป จ, จะได้นอนใจถึงจะงยืนเดินนั่งนอนในอิรีบบยาบถใดๆไปจะต้องที่ใจนะดูกายดูใจของตัวอยู่เดื่อไปสิงได้ที่เชื่อที่ผิดชาระสาสาังไม่เห็นกายทำปากพูดและใจคิด คือคือปฏิบัติจิตทางศ า, าสนาเกี่ยความสงบระงนักแบบจีเลต์มาอย่างนั้นจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปครันไม่ว่าจะจะขึ้นรถยนรถไฟจะขึ้นต ะ, นะวดดาวเทียมไปที่ไหนก็ไปเถอะดย่างจีเลต์ของใจไม่ยอมแจกไข่ไม่ยอมที่นิ่ชี้ใจนะไม่ยอมละเวน้นคนแบบนั้นจะไปรอบโลก จะเป็นโลกาวิธีผู้รู้แจ้งโลกรู้จึงโลกนอกโลกในเสีอใจทั้งตัวโลภโกรดหลงราชากันหาสิทธิมานะมันตกไปหรือไม่ไปเจ็นตรวจตาที่เจนาภายในโลกาวิธีของพระเจ้าที่เราโลกาวิธีท่านไม่ได้หมายเอาการรู้การเห็นเที่วโลก ว่าที่นั้นเมืองนั้นประเทศนั้นป่านั้นเขานั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปเห็นไป ด, ดูสิ่งนั้นท่านดูพระไทยของท่านที่เจริญนาการจิตของท่านเกิดโลกะยิทธูขึ้นพอรู้ตัวของตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ทั้งทั้งสิสี่ทธูหลวง มันเคยมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นวันนี้เวลานี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่ใ จ, ใ จ, ใจไปของจิตคิดแวะในสิ่งหม น, นั้นห ม, มายมันปันย่อว่าอันนั้นใหม่อันนี้เก่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีต่างๆนานาจิตไปยึดไปเทืไ ป, ไปสมมติหมือนหมายก็เลยหลงหลง เลื่อยไปแต่เมื่อมาที่เจรณาเรื่องสัจธรรมคือความจริงแล้วอดีตที่ผ่านมานับแสนนับล้านปีก่อนตามมันก็เหมือนกันกันกบปัจจุบันที่เป็นอยู่อนาคตยังไม่มาถึงแตกีก่แสนสี่ล้านปีก็ดีมันก็เหมือนกันถ้าจิตใจยังมีโลกโกลงหลงอยู่แล้วมันไม่มีความสุขความสบายให้ ความโลภความโกรธความหลงของใจมันเกิดขึ้นจากการไในที่นี้พิใจนะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะสำระถา้ามันมีสติปัญญามีธรรมะแก้ไขจิตใจทั้งตัวแล้วเสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะธรรมะเป็นขาดสุดของใจเป็นขาดสุดของจิเลวปราบราบขาดไปได้แต่มันโลภอยากได้มันอยากได้อะไรได้มาแล้ว มันให้ความสุขความสบายแค่ไหนโสดให้คนอื่นเขามันสุดกายสุขใจด้วยไหมคนส่วนใหญ่เขาเห็นเพราชั้นและสนลยยนยอเรือเขาดูหมิ่นหมิ่นทางตัวเองได้รับทุกข์รับโทษด้วยไม่คนอื่นที่เขาเห็นเขาเป็นอย่างไรเขายินดีเด่อใสสาธุกการหรือคนจีโส ด, ดเป็นเปลนน่ะ ดำตาแดงปูดออกมาเป็นพิษเป็นภัยเขานี่ใยก็รู้สึกเดือดร้อนเหลงก็ดีมันหลงมาจากอะไรก็เรื่องของความเหลงของใจนี่แลเป็นทำให้โลก เ, ลเลห้โกรธถ้าหากเหลงว่าสิ่งนี้มันเป็นของใหม่ดีไม่มีคุณค่าไม่มีชาละทำลายความสุขความสงบ ทำลายตัยวของตัวและคนอื่นสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่โลกไม่โกในสิ่ง น, นั้นแต่การสแสวงหานั้นมันเป็นธรรมดาไม่ว่าสัตว์ประเภทใดความเป็นอยู่ชีวิตของสัตว์จะต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารจะต้องสแสวงหาตามฐานอาณาชี่ตามเพศ กิจเพราะนิยมจนรบกันเข็นพระเน่งจต้อ ง, ส ง, นนองสแสวงห า, าบิณฑบาตมาขบฉันพระว่าจะต้องสแสวงหาการงานจะทํากันในอย่างนั้นก็ไม่มีส่วนอยู่ส่วนกินไม่มีส่วนหนึ่งส่วนหม่มแต่โลภนั้นไม่ได้ไม้เอาอย่างนี้ไม้เอาว่ามันไม่มีสั่งมีฝาหลายอันนี้มาอยากอันนั้น ถ้าเยอะพยายามเรามีความสุขความสงบให้ได้ทออไรแต่ยังไม่มีเมืองพอของใจยังอยากได้เรือยไปเป็นเศรษฐีในเมืองไทยยังจะอยากจะเป็นเศรษฐีในโลกเช่นนี้เราไม่มีความสุขความสบายให้เพราะความม้าใหญ่ใส่สูงความโลภมันเผาจิตเผาใจถ้าหากคนมีธรรมฮะที่เจ้านะได้มามาก ขนาดไหนกว่าตามที่อยู่ที่อาศัยก็เท่าเดิมนั่งก็แคบก้นของเราเท่านั้นจะบ้านใหญ่ขนาดไหนก็นั่งได้เท่านั้นนอนก็เหมือนกันเพียงแค่ยีสหาไปหาเท้ากว้างแคบขนาดไหนถ้านั้นหมดอันนี้เราก็พอยืดได้แต่ความหยอกของใจมันในอย่างนั้น มันอยากจะให้คนอื่นฉันเลยเสนเงินยอว่าเรานี่ดีที่สุดเราหนีร่ำาีรวยมันเลยคิดเลยจึงไปใหญ่ไปโตเดีย๋ยวทางธรรมะท่มมาทนให้ชีวิตพี่เ น, นะเรื่องการแสวงหาใดมาเกี่ยวกับความจำเป็นของชีวิตเป็นเรื่องอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความโลภแต่ความโลภคือมันเลยสั่งเลยสาหนนนี้ ขอบมีเขตนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นทางธรรมะทันจริงให้มีการพิ้นใจนะบางคนจิตแสวงหามาได้เป็นเกิดที่มั่งมีทุกสิ่งทุกอันไปเขาจากโลกนี้ไปเราเห็นไหมเคยมีไหมคนที่สมบูรด้วยวัตถุต่างๆเขาล่มหายตายไปเราต้องเห็น ต่องรู้เรื่องเหล่านี้พอเราเกิดมาไม่ใช่วันสองวันหลายปีมาแล้วแล้วเรื่อกเหล่านั้นเขาหอบูิหาหามสิ่งที่เขาแสวงหา ไ, ได้หรือไม่หรือหาเพียงจะเล้งไหลไยฝันเป็นทุกข์เพราะความหิวเห ง, เหงในสมบัติของตั ว, วเราเมื่อตายไปไม่ว่าแต่วัตถุที่อยู่ภายนอกกาย แม้แต่กายของตัวเขาก็เอาไปเลยได้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นความหลุ่มหลงค้องใจความโลภค้องใจมันจะน้อยเข้าไปลดลงไปพอใจมีอัดมีทำทีนิ้ที่ใ น, นะใจมีฝั่งมีฝามีขอบมิเขษดนี่คือการทีนิ้ที่ใจะนะเหี่ยงความความโลภให ตกออกให้หมดไปจากใจท่องตัวมันมีทางที่แจรนาได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านิ่มากช้ามากกำจัดจิตใจสุดเก่าหมองคุณมัวให้คล่องใส่ช้ามากกำจัดจิตใจสุดชั่วเสียให้เฉยสุดได้ เราต้องพิจารณาตามธรรมะของพุทธเจ้าหรือพิจารณาสัจธรรมคือความจริงเม่อเราพิจารณาถึงความจริงแบบถึงทั้งเพียงมีการเกิดขึ้นเป็นดวงตนมีการแรปลปวนไปในธรรมกลางแล้วก็มีการแตกสลายไปในที่สุดอดีตผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรอน า, าคตต่อไปก็เหมือนกัน เมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นโลตวิถีเคอรู้ใชใงในจิตในใจว่าไม่มีอะไรจิตแตแกแตกต่างกันโลกอันนี้มันเหมือนกันหมดด่านวัตถุจิตเกิดขึ้นมาด่านอารมณ์จิตเกิดขึ้นมามันเป็นอยู่อย่างนี้มีการเกิดขึ้นแตกพวนและแตกสลายไม่มีอะไรที่ยืนโยงเชงอยู่ไดน้นี่มันเป็นสัดแตะธรรมเป็นความจริง เราไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนี้แล้ว เ, เกิดมาแรกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แเราตายไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เรามีอะไรผิดแปลกแตกต่างที่จะน่าไปชมไปดูเรารู้รู้ม่รู้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดเก็ดอยู่อย่างนั้นเท่านันเมื่อใจของพวกเราท่านที่เป็นนักปฏิบัติข้าใจเห็นชัดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เยอ่อทา ย, ยาทไม่ล้วงไหลไฝ่ฝันไม่บ้าบอไปตามความส ม, มุทโธ คนึ่งเือการแจ็บจิตแจ็บใจเป็นโลกระดิภูภายในเข้าใจสิ่งต่างๆตามเป็นจีนข้างมันจีนได้ที่มา้าโย่ข้อกับจิตใจก็ทราบโยจิตทราบโดยปัญญาว่าจิตใจจะโย่กับสิ่งนั้นร่มโยงกับสิ่งนั้นหรือไม่เพราะเพราะเราเป็นตัวของแ่งใจก็ทราบร่วมแก่คนสามา ไม่มีสติอะไรผ่านมาก็เก็บเอาในสบบาวะของดีของชั่วใจเราเป็นถังขยะหาของดีมีคุณข่าในนีมี แ, แ, ต, ต, แ, แ, ต, ต, แต่ลบแต่โกดแต่หลงยุ่งย้ยยุ่ น, นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะไม่สลาดสามารถที่จะกำจัดจึงี่อชั่วเลือกคัดจับหากึงที่ดีเอามาไว้อะไรก็ รับเอาหมดแต่เป็นชู้เย็นกว่าทานทั้งเสียกันมันปากปากตายแบบนั้น ท, ทั้งทั้งสิ่เมื่อส่มีโรคอดเอ็มมันจะมีอยู่นั้นแต่เราไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้ า, ามันมีอยู่ในโลกแต่เราไม่ทราบว่าจะเอาอะไรพิจารณาอย่างไรจิตใจของเรา จ, จ, าาจงราึงจะเบาจะสบายจิตใจของเราจึงจะรวมจะสงบ จิต ใ, ใจของเราจึงจะถอดถอนเกี่าราคาตัญหาไนดะ้เราไม่ทราบเราไม่เข้าใจเมื่อเราไม่ทราบเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยใจที่นี้ที่เจนะหาทางธรรมะมาเนีสอนนี้จะเชื่อเกี่เงจิเลตัญหานําพาจิตใจให้วุ่นวาว่าเวอยู่ยื่อ ย, ย, ย, ยไป ถ้าหากเรานำธรรมะมอเนี่ยสอนสมือ น, น, นกันแล้วเข้าไปในที่มืดเราก็จะต้องหาไฟเป็นส่วนสองทางเพราะไฟแต่เราจุดขึ้นติดขึ้นตามขึ้นมันจะมีตามสว่างแล้วก็เห็นถน น, นเห็นทางห็นปกหลุมตกเบลเดนหลักโดนต่อเพราะคนมีไฟปลอดภัยในการเดินทางมื่อทะเล ย, ยุ่งไม่หาไฟคนนั้น เป็นอันตรายจะไปสถานที่ใดในปลอดภัยให้ยิ่งเป็นรถเป็นเรือไปกลางคืนจะไม่มีไฟมืไฟปวดจุดจุดถนนตายนั่นเป็นอย่างนั้นธรรมะของ่านก็ทํารมองโยวกันมานั้นเรื่องนักบวชนักปฏิบัติยิ่งจะแต่งดูแต่งรู้ในจิตในใจของตัวอย่าไปชัยโยชัายยาน ในด้านอื่นยิ่งกว่าการดูจิตใจทังตัวการประพฤต์กายประพุตลายการประพุติใจทั้งตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวดูภายในเข้าใจภายในเห็นภายในไปจากธาตใจแล้วโลกอันนี้ไม่มีอะไรตกผิดมันเติร์โห่่งอยู่เสมอเพราะความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นอดีตหรืออนาคตเหมือนปัจจุบัน น่โดยการวิเคระที่พระพุะทธเจ้ารู้เรื่องของตัวเสื่อดีอย่างไรควรกำจัดปัตตาอวิชาตัญหาอุปาทานออกจากใจแก้งประจากษชัดเจนไม่มีอะไรที่จะละจะบำเพนญต่อไปทา่านใยรู้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การกระทำบำเท็ไม่ใช่ว่าแต่อ่านไปเห็นในจำหลักจำลาว่าื่มมุดเรืมุด ย, ยาและทัศนะเราจำมาได้โสดาสกทททิทาธาอรหันต์สังยดสามสังยดห้าสังยดสิบจำมาได้สอบได้แต่จิตใจเป็นอย่างไรนี่มันเป็นสัญญาที่จำมาไม่สามารถที่จะแก้ไขใจทั้งตัวที่เสีเย ให้ตกไปได้ถ้าหากประพฤติปฏิบัติดูแลรักษาภายในมันเป็นอย่างไรข้าจิตเคยชิดตรงจิตข่องลุ่มหลงเพราะโดยอำนาจสติโดยอำนา จ, นาจปัญญาเส่นราคะความกำนักยืนดีในเถิดจงกันข้าโดยส่วนใหญ่นักบวชนักอยากจะเสียด้านนี้ เรื่องราคะกามรมาาคะเป็นเรื่องสำคัญที่ทำจิตใจของพวกนักบวชนั้นให้หยุ่นวายว่าวิเดือดร้อนเพราะจิตมันคิดไป ท, ทั้งที่มดยมีรูต้องถามอยู่ในนั้นแต่มันก็เชงไปได้อดีตที่ผ่านมาไม่ทราบบากีจีจีเดือน ตาไปเห็นหิ้วใดยินมันจําแม่นจับใจเพราะใจของเรามันชั่วใจของเรามันเสียสรับอัดทำมมันเลยคอยรับให้สารับชิงที่ชั่วที่เสียมันรับเจกเหมือนกันกับว่างนิทานที่กันเกล่าวไว้เรื่องไก่ไปพบหอยซอสของชาวมันมีคุณค่าราคาสูงแก่ไก่ มันไม่สามารถจะเอาไปทําอะไรได้สูกข้อสุก ข, ข้อสารเพียงมเมล็ดเดียวไม่ได้ช้างช้างสิคุณค่าของซอยนั้นมันมากขนาดไหนแต่ไก่มันไม่เกิดสาราประโยชน์ให้เพราะมันไม่มีปัญญาที่จะนำไปซื้อไปขายไปประดับประดาอะไรทํานองเดียวกันจิตใจเขาโง่งคนชั่วจิตใจเขาคนพานเขาผู้ช่ชนเรื่องที่เหลือปันหา ต่างๆนานาที่ขวดเสียตาได้เห็นหูได้ยินจำแนนแต่ธรรมะธรมโมทีครูที่อาจารย์เนี่ยสอนนั้นมันไม่เข้าถึงจิตถึงใจให้ฟังเท่าไรก็หนุ่มน้องสานอนเบือนน่ายแต่ฟังเขาหัวเราหรือเขาพูดคุยในเรื่องวิเลตปัญหานั้นตังลายวันตลอดคืนมันก็เทมได้มความเย็นอยางแจมสมีควา ม, วามสุขความสบายใจ มันยินดีในสิ่งที่ผิด ท, ที่ชั่วมันจินเกิดทุกข์เกิดโทษเพราะเรื่องเหล่านั้นคนที่ได้ตกหลุมของมันยินจังแล้วมันทุกขนาดไหนจะหาความสุขความสบายมันหาไม่ได้เพราะราคาทางสำหรับการสาราญตัว ท, าทิว่ะราคัที่นะ่ะคือไฟ มันไหม่มันเขาทำให้จิตใส่กายของเราเดือดร้อนถ้าเรามีงมีปัญญามาแนะนจิตใจมันก็ไขค่คิคดเรื่อยๆไปหนจากนี้ไปพบคนใหม่ข้างหน้ามันก็จับจองเอา อ, อีกจกลงว่า้าเนนที่อยู่ในศาสนาไหนได้คือมีความคิด ไปในทางขวดทางเสียสุดไปง่ายกวใจขั้งตัวในได้พอมันขึ้นมากต่บ่าบอไปตามเหลวขึ้งมนถ้าหากผู้มีอาจมีทา ใ, ในใจไม่อย่างนั้นนำ ม, มาที่วิชัยนะมันํำหนักยืนด่ในเพศดังนั้นเพศดังนั้น มันดีมันดีเศษจริงหรือผูปล่างกลางตัวที่เราไปสมัครรับไข่เราเดื่อมใช้ยืนดีอยากสอบอยากปอดอยากสูบมันเป็นอย่างไรกันแน่จนามูกของมันหนามลายของมันเลือดหําเหลืองของมันผีเหี่ยวของมันที่ตกออกมาเราเอาไปบูชาไปจูบไปดมไปดื่มไปกินได้ไหม มันเป็นของคือหน้าเลียมใสัสทหาน่ายินดีน่าปราถนาะหรือไม่ในตัวพวกเรามีไหมสิ่งเหล่านั้นมันไหลออกมาจากชาวานต่างๆมันเป็นอย่างไรเขาเหล่านั้นก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันสมมติตั้งหาคือว่ายิ้มว่าช่างทำจริงแล้วท่าสีขันห่าเหมือนกันมันมีอะไรผิดแปกแตแกต่างกัน ใจมันบ้ามันบองมันบอดมันจะไปหลง อ, อย่างนั้นถ้าทีพิจนาู้เข้าใจตามความเจริงได้สิ่งอันนั้นมันจะไปหลงไหลใส่ฝันอะไรทันละ่ะพอเราอย่างไรเขาอย่างนั้นนี่คือเรื่องนักปฏิบัติจะต้องีช่วยพิจนาเผื่อชำระใจในปัดขาไปจากลัทธปัญหาโดยการที่ิจนาตัวของตัว ถ้ามันไม่เห็นชัาเินอย่างนั้นก็ดูที่แค่นาไปจนให้มันเห็นมัน เ, นนเกิดในจิตในใจคนเข้าคนตายมันเกิดมาจากอะไรแต่ก่อนเขากยู่หลยกหลางกางตัวเป็นหน่นเป็นสาวสวยสดงดงามหลุกหลานแองมันที่เราใส่สันหลุนหลงมันจะอันเดียวกัน พอเนี่ยปู่ย่าตาทวพวกมันเป็นอย่างไรเดกเหล่านี้ห น, นุ่มเหล่านี้สาเหล่านี้ถ้ามันนานไปมนก็เป็นอย่างนั้นทําไมเจ้าหลงก็ความงคลิ้งในโดยนี้อยู่นี่คือปัญญาไม่อย่างนั้นถะลกหนังออกไปให้เหลือแต่ น, นี้อมันเป็นอย่างไรหรือหยุดไม่อย่างนั้นเอาข้างในออกมาข้างนอก ปับใปใส่พงคือมันอยู่ภายในเอาถ้ายออกปลักเข้าไปทางในจะรักษ า, มาแมลงมันได้ไหมจะเป็นหน้าเรียมสน้ะก่อนหน้าสุดหรือไม่หรือจะเป็นของประปีกูหน้าเสียหน้าตูถ้าเป็นอย่างนั้นมีอยู่ห่างตัวของเราหรือเราไปนัน่งใก่เลนนอนทับเราจะเป็นอย่างไรแต่ความจุิงมันมนอีอยู่อย่างนั้น แต่เราในทุจรณะที่จะมาชำระแก้ไขจิตใจทั้งเราล้วจะรงไปยุ่งว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เไม่ดูใคไปทางไนมันยาคิดเกีน้าตาทางนอกมันหวานแต่ทางในมันเป็นทุกข์คนที่หที่ทุจรณาลืมลงไปม้กว่าตายเอาหนจิตใจทังเราที่ลืมหลงไปตามเรื่องเหล่านี้ มันก็เป็นอย่างนี้พระพทจ้ทสอนใส่ที่นิสัยแก่น่ะจะลุ่มย่งไปขนาไห น, นจะลุ่มย่งไปเถอะมันมีแต่ทุกข์แโทษเท่านั้นจะมีบริษัทบริวารามากขนาดไหนใครเราจะมาช่วยเราให้หาจกแยจกตายๆๆๆ ไ, ได้มันไม่มีที่นิสัยแย่น่ะชำระใจเป็นเรื่องสาคัญ น, นักบวช นักเว้นผูอผู้ออกจากถั่วจากเสียจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติเมื่อออกมาได้แต่จเจ็บเจียงกายใจใจมันวุ่นเข้าไปต่างแกสูบบ้างสูบเยือนรวยไปอยู่เป็นฆราวาสโดยมีความเสื่อความเหลื่อมสายยาออกมาบวชก็คือคงจะมีความสุขความสบายความสงบเ ย, ย็น ถ้าเน้นในวัดหรมีโอกาสเวลาปฏิบัติเดินจง ก, กมรมภาวนาเราเป็นฆราวาสอยู่เกี่ยวกับการทํางานต่างๆนะนะไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้ไปพุทปฏิบัติไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้ฟังธรรมะธรมโมมีความเลื่อมใสมีความยินดีมีความเต็มใจอยากออกบวชพอบวชมาแล้วกลับไปเป็นฆราวาสมันช่วยมันเสียขนาดไหน เป็นพระไร่ข่าเป็นพระแต่ชื่อฮะตอนข้างเหน่าเ้รงเหนียนเหมือนมแมลงวันปูุกคนนั้นปูุกคนนี้จองย่อยไปถ้าแบบนั้นถ้าหาเขารู้ว่าร้ายจิตสิตขุดจงอย่างนั้นเขาจะเลื่อมใสศรัทธาจะนำอาหารข่านุ่ม่าหอมมาให้ได้ไหมมันช่วมันเสียถนาดนั้น เราจะต้องสอบสง่งมองดูจิตใจของตัวตืวอแก่ไขครับไลฟ์ความวเสียต่งางๆมาอย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะเป็นธาตเป็นเมนจนถึงมีวิเศษให้หการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญในความจิตจะนอนใจใเสรีแกะไขปรับปรุงต่เพื่อปฏิบัติเพราะเถิด วิสูตรของเราก็เป็นชรากรรมฐานพยายามยึดอ่านแต่ทำบำเพ็ญในจิตใจมันสงบเย็นอย่าให้มันเดือดร้อนกิเลสหน้าไหนเกิดมา้วจิตในใจก็ให้มีสติมีปัญญาเจรณาแก้ไขเมื่อเราทุกคนจะทำบำเพ็ญด้วยความจริงใจอย่างนั้น เรื่องศาสนาจิตเขาถือว่ามันเสื่อมโทรมลงไปเพราะเพราะจิตใจทั้งเขาเสื่อมโทรมไปตามกิเลสแต่เราเห็นเราเป็นเราดีเราเด่นในมีอกิเลสปัญหาหนาไหนจะนักเฉลมดีจิตใจของเราเรา เ, เราเบิกบานเราสงบเราเย็นเย็นเรากู้เห็นชัดเจนในสัจธรรมเราจึงมีการบันไหวในบ่าบอไปตามลมปากของเขา เนราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสบายอย่างเรื่อ ง, องศาสนามันจะเจริญในจิตในใจของเราให้เขาจะลืมหลงเรื่องโลกไปขนาดไหนใจใจของเราใจของเราสบายตายแล้ว อ, อยู่ก็ไม่เป็นทุกข์เพราจิงที่เราต้องการเราได้เรู้เราเห็นจะอยู่ไปกี่หมื่นกี่แสนปี กร ม, มีอะไรที่จะะิจะที่จะบำเพ็ญอีกความบริสุทธิ์ยมุทท่องใจเป็นอย่างไรนั้นทุกท่านต้องเห็นต้องเป็นาหากตัวพุทธปฏิบัติถือขันที่ควรเห็นควเป็นไม่ต้องไปถามธรรมะเป็นสันทิฏฐิตรู้เองสาหรับผูู้ตัวพุทธปฏิบัติเป็นอาการริโวเอมีการมีสมัยพระพุทธเจ้ า, ป, า, าปฏิบัติบริญญาไปหรือยังอยู่ถ้าหากผู้ใหนตัวพุปฏิบัติ ไม่เห็นไม่เป็นในใจก็จะมีความสงสัยอยู่เรื่อยไปถ้าเห็นถ้าเป็นในใจพระพุทธเจ้าเปิดพูดปฏิบัติมาอย่างไรความบริสุทธิ์ยิ้มุดจิตพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นอย่างไรเราแบบพูดปฏิบัติถึงจิดขั้นเข้าใจชัดเจนแล้วมันไมมีสงสัยเชื่อมั่นว่าทำเป็นอาการยิโกจริงไม่มีการมีเวลาถ้าใครแบบพูปฏิบัตริรักษาคนนั้นจะต้องเห็นจ่ต้องเย็นจะต้องสงบจะต้องทนทุกข์ นี่มันจะไปทับในจิตในใจเข้าใจชัดเจนในตัวเองฉะนั้นทุกคนขอจงหมั่นที่นิพพิจนาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาประพูดปฏิบัติอย่าให้เป็นคะเป็นเมีนแตเพศเป็นเปรดในเชงแบบหลอกเขากินในส่สอนจิตอบรมใจของตัวอย่างนั้นเมื่อทุกท่านได้สะดับรับฟังทำอธิบายมาจงนาไปที่นิพพิจนา ลงมือระสุปฏิบัติต่อากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องความกิเวลาพออยย่ติเพียงแค่นี้